นี่ไม่ถูกนั่นไม่ดีนี้ไม่เอาทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นกังวลตลอดเวลาคอยสอนลูกคอยคุมลูกนานิวไม่รู้ตัวกระตุ้นให้ลูกอารมณ์ร้อนแต่ละคนมีช่องรับความก้าวร้าวไม่เท่ากันถ้าเชื้อโทสะแบบของเขาพร้อมจะถูกกระตุ้นให้ก้าวร้าวแค่รับภาพความรุนแรงนิดหน่อย ไม่ต้องแวดล้อมด้วยบุคคลก้าวร้าวก็ก้าวร้าวได้แต่ถ้าเชื้อโทสะแบบของเขาจุดติดเป็นฟืนเป็นไฟยากต่อให้แวดล้อมด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่ที่ก้าร้าวเขาก็โตขึ้นเป็นคนเยือกเย็นสุ ข, ขุมได้อย่างน่าแปลกใจขอเพียงมีแบบอย่างความเยือกเย็นสุ ข, ขุมแค่คนเดียวเป็นหลักเป็นทิศทางให้กับจิตวิญญาณของเขา เด็กจะฉลาดและเข้าใจผู้คนเมื่ออยู่ท่ามกลางคนหลากหลายประเภทปัญหาคือแต่พ่อแม่พยายามใจเย็นแต่ปู่ย่าตายายติดใจร้อนชอบตะวาดชอบเสียงดังใส่เวลาดุทำให้ลูกติดใจร้อนอัลวาดตามอย่างนี้ก็กลายเป็นทิศทางไม่ดีให้กับเด็กไปพ่อแม่ที่เจอปัญหาพันนี้มักหาวิธีหรืออุบายเพื่อสอนลูก ให้เกิดความเข้าใจว่าความก้าวร้าวเป็นของไม่ดีซึ่งก็เหมือนเอาไมซีกเป็นงัดไม่สูงการสอนเป็นคำคำให้อย่างไรก็ห่างชั้นกันมากกับต้นแบบพฤติกรรมเป็นฉากฉากขอให้ตระหนักว่าเพียงรอ ก, กังวลอยู่ตลอดเวลากลัวเขาจะก้าวร้าวคอยสอนคอยคุมหน้านิ้วไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ ไฟโทสะของแท้กระแสะความรู้สึกที่ออกมาร้อนอนตลอดนั่นแหละกระตุนลูกให้อารมณ์ร้อนได้ยิ่งกว่าเสียงดุดาเป็นคราวๆจากปู่ย่าตายายเสอีกบนเส้นทางเวียนว่ายตายเกิดอันมีเหตุผลซับซ้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดของลูกลูกมีปัจจัยเก่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อมาบวกกับปัจจัยใหม่ เขาจะตัดสินใจเองว่าจะผสมปัจจัยเก่าใหม่อย่างไรทำใจไว้อย่างนี้คุณจะสบายใจขึ้นและไม่มีส่วนเพิ่มความก้าวร้าวให้เขาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเข้าใจไว้เช่นนั้นกับทั้งกังวล น, น้อยลงคุณจะมองดูตัวเองใหม่คุณอยู่ในฐานะอะไรกำลังเจริญจิตเจริญใจอย่างไรสำคัญกับลูกแค่ไหนมีบทบาทกว่าคนอื่นเพียงใด นั่นเองคุณจะไม่มองแคบๆว่าจะสอนลูกยังไงดีแต่เห็นภาพใหญ่ภาพรวมว่าจิตวิญญาณดีๆที่เยือกเย็นพอนั่นแหละเอาอยู่มีอิทธิพลสำคัญกับจิตวิญญาณของลูกได้คําพูดไม่มีความหมายมากกว่าจิตวิญญาณถ้าจิตยังกระสับกระส่ายอย่าหวังสอนเรื่องจิตสงบให้ลูกฟังแต่ถ้าจิตสงบเย็นลง คุณจะเห็นเลยว่าจะเอาความเย็นนั้นไปลูกหัวลูกได้อย่างไรความเย็นนั้นจะผลิตคำดีๆสั้นๆให้ลูกซาบซึ้งเข้าไปถึงใจได้ในจังหวะไหน